ก็ความในมัชฌิมนิกายมูลปันาฏมหานตันหาสังขยสูตรครั้งที่แล้วนี่เป็นจุลตันหาสังขยาสูตรสูตรที่กล่าวถึงความสิ้นตันหาสูตรเล็กนี่มาขึ้นสูตรว่าด้วยความสิ้นตันหาสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเฉตวรน อารามของท่านอนาถเป็นทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชื่อสาติผู้เกวัตบุตรมีทิฏฐิอันลามกหรือทิฏฐิอันเป็นบาปเห็นปานี้เกิดขึ้นว่ากลายเป็นผู้ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินะผู้มีมิจฉาทิฏฐิเขามีทิฏฐิว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่อื่นในซึ่งเป็นลทัทธิเป็นมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นมาอ้างว่าตัวนี้รู้ทั่วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าแสดงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างหนึ่งเขากล่าวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอการที่มีความเห็นผิดมันก็เชื่อว่าเป็นความชั่วร้ายเฉพาะตัวเป็นความเลวร้ายเฉพาะตัวแต่นี้ไม่ได้อย่างนั้นสิ แต่ตัวเองเป็นมิจฉาทิฐิเฉพาะตัวแล้วยังอ้างว่าตัวนี้รู้ทั่วถึงเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีกลายเป็นว่าความเห็นของตัวนั่นแหละคือความเห็นของพระพุทธเจ้ากลายเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วเป็นลัทธิเป็นทิฐิเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ไปบอกว่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าว่าเขาเนี่ยเข้าเข้าถึงเข้าใจรู้ทั่วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น พวกภิกษุมากด้วยกันได้ฟังว่าภิกษุสาติผู้เกวตตบุตรมีทิฏฐิอัลลามกเห็นปาณนนิเกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคก้าทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่อื่นนะพอพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังข่าวว่าอ้าวนี่คนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นนอกคำสอนแล้วอยากอ้างว่าตัวเองเนี่ยรู้ทั่วถึงคาสอนจึงเข้าไปหาภิกษุ สติเนี่ยนะแล้วก็ถามพระพิสุสาติว่าดูก่อนอวุโสสาติได้ยินว่าท่านมีทิฏฐิอันเป็นบาปเห็นปางนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธทำตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงหรืออันนี้เป็นความเห็นของท่านท่านมีความเห็นอย่างนี้แล้วอ้างว่ารู้คําสอนอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ ภิกษุสาติก็ตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงสแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้ฟังให้ดีนะลัทธิอันนี้เป็นลัทธิสัจสตทิฐิเนี่ยนะลัทธิสัจสตทิฐินั้นชื่อว่าเป็นลัทธิที่ตรงกันข้ามกับคําสอนภิกษุเหล่านั้น ปรารถนาจะปลดเปลื้องภิกษุสาติผู้เกวัตตบทจากทิฏฐิอันลามกหรืออันเป็นบาปก็เลยซักไซไล่เลียงสอบสวนมุ่งหมายเพื่อจะปลดเปลื้องทิฏฐิว่าดูก่อนท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่หรือว่าอย่าได้โมเมเหมือนกันเถอะย่าได้โมเมอย่าได้กล่าวตู่อย่าได้เอาความเห็นของตัวแล้วไปไปบอกว่าเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นท่าน่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตูหรือโมเมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยดูก่อนสติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมจึงเกิดขึ้นวิญญาณนี้เป็นสังขารธรรมเกิดจากปัจจัยสร้างขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยปริยายเป็นอันมากความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากเป็ ปัจจัยไม่ได้มีวิญญาณเนี่ยมันจะไปเที่ยงยั่งยืนมาจากไหนวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นคืออธิบายว่าปัจจัยทั้งหลายล้วนแต่ถูกวิญญาณทั้งหลายล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมันจะไปท่องเที่ยวเล่นไปได้อย่างไงเนี่ยนะสาติภิกษุผู้เกวัตตบทอันภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอัลลามกนั้นอย่างรุนแรงทิฏฐิอันนี้กลายเป็นทิฏฐิที่เรียกว่าเข้าซึมเข้าซึมเข้าลึกจนถึงมีความมั่นใจถึงขนาดว่าใครๆก็เปลี่ยนความเห็นนี้ไม่ได้แล้วนะทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไขายากมากพระองค์จึงบอกว่าความรกชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิห่วงน้ําคือ มิชชาทิธิเนี่ยนะความกลุ่มรุมปริยุทธานและก็อนุัสมันมีเรี่ยวมีแรงมีพละมีกำลังมากเรียกว่ามันย้อมจิตย้อมใจไว้เต็มที่เลยเหมือนกันเถะเาบอกว่าเปลี่ยนความเห็นนี้ไม่ได้อีกแล้วใครจะมาพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่เปลี่ยนความคิดอันนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นสาติภิกษุก็เลยยังยืนยันว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ข้พาพเจ้ายอมรู้ทั่วถึงทำตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นะั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปมิใช่อื่นอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งคนที่เป็นนิชชาทิฏฐิเนี่ยหมดสิทธ์แก่เพราะว่าเป็นคนที่มีความเห็นรุนแรงมากก็ามาเคยเจ อ, อบางท่านเนี่ยนะเป็นพระภิกษุด้วยซ้ำไปเป็นพวกสัตตทิฏฐิแบบนี้เนี่ยนะเป็นความเห็นที่ชนิดรุนแรงมากเลย แล้วก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเขาพูดได้คนเดียวเพราะคนอื่นพูดก็โทสะเนี่ยนะลูกแกอำนาจแก่โทสะเพราะว่ายึดถือแบกความเห็นอันนี้อย่างหนักแน่นมั่นคงแล้วก็รุนแรงจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งๆที่ยังครองเพศส ม, มณะเพศทั้งหลายเนี่ยนะมันผู้ที่มีความเห็นทิศเป็นทิฐิแบบนี้สมัยพุทธกาลก็มีปัจจุบันก็มีเนี่ยนะอธิกะถาอธิบายที่กล่าวถึงบทว่า ทิฏฐิขตังเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยทิฏฐิเป็นผู้ที่ถือลทัทธิศัสตทิฏฐินั่นเองก็บอกว่าภิกษุนี้จริงๆแล้วเป็นผู้ที่เป็นพร้หูสูรมากเนี่ยนะก็จริงก็เรียนมาค่อนข้างเยอะนะพอฟังชาดกเนี่ยนะพอฟังชาดกอย่างเช่นในชาดกเนี่ยพอฟังตอนท้ายของชาดกพระองค์จะประชุมเรื่องใช่ไหมว่าเราในครั้งนั้นก็คือพระเวสสันดร ฟังชาดกจบบอกว่าเราในครั้งนั้นเป็นมโหสถเราในครั้งนั้นเป็นวิทูลบัณฑิตเราในครั้งนั้นเป็นเสนกบัณฑิตในสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาชนกเธอก็พอฟังจบเออฟังชาดกนะฟังมาหลายเรื่องเข้าหลายเรื่องเข้าเออใช่คือทุกเรื่องเนี่ยทุกชาดกพระองค์จะประชมว่าเช่นคเรื่องนั้นนะพระเวสสันดร น, นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเรานี่แหละได้ไหม มโหสถบัณฑิตผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดก็คือเราวิทูลบัณฑิตผู้ปราดเปรื่องด้วยปัญญาก็คือเราสเสนกบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดก็คือเราพระเจ้ามหาชนกผู้มีความภาคเพียรพยายามก็คือเราเอ๊ถ้าเป็นเราแล้วมันต้องมีสักตัวหนึ่งซิมันมันแน่นอนอะนะมันแน่นอนมันยั่งยืนเพราะนั้นสาติภิกษุก็เลยมีความคิดว่ารูปเนี่ยมันดับไปณนะที่นั้นนั่นแหละ อั น, นรูปมันก็สลายใช่ไหมเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาเรื่อยๆรูปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเวทนาอ่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปในที่นั้นนั้นสัญญาสังขารทั้งหลายมันก็ดับไปอยู่ณที่นั้นๆนนะนะรูปชาติไหนมันก็หมดไปชาตินั้นเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในภพใดมันก็ดับหมดไปในภพนั้นแหละ แต่ว่าวิญญาณย่อมท่องเที่ยวเล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ไอ้ที่อย่างที่บอกว่าระลึกชาติได้เวียนตายเวียนเกิดเกิดได้หนึ่งระลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายหลายแสนชาติตลอดสังวัตกลับตลอดอสงไขยกลับเป็นต้นเอาแล้วใครมาเวียนไหวตายเกิดล่ะ มันจะต้องมีตัวที่เวียนไหวาตายเกิดเสียตัวที่เวียนไหวาตายเกิดอันนั้นคือวิญญาณวิญญาณเนี่ยแหละล่ะลองลอยท่องไปในพบน้อยพบใหม่แม้กระทั่งสมัยภาพยนตร์สมัยใหม่นะเวลาก่อนจะตายเขาก็บอกเหมือนกับเป็นรูปวิญญาณออกจากร่งางเหมงอนันสร้างสร้างเป็นรูปรู ป, ปรละเอียดหรือสร้างเป็นว่าเ น, นี่ยวิญญาณกําลังแวบแวบวออกจากร่างไปแล้วนะอะไรเงี้ยเขพยายามสร้างว่าเออตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่เวียนไหวาตายเกิดทั้งหลาย ซึ่งฟังแล้วมันก็ตรงกับความเห็นของคนไม่ใช่น้อยมันเพราะฉะนั้นที่พระสาติภิกษุจึงสำคัญว่าวิญญาณนี่แหละเป็นตัว เวียนไหวตายเกิดตัวล่องตัวลอยเหมือนก็วิญญาณสิงจากร่างนี้ไปสู่ร่างโน้นออกจากร่างโน้นไปสิงร่างน้นเนี่ยนะเวียนตายเวียนเกิดจากคันสู่คันจากไขสู่ไขจากเท่าใครสู่เท่าใครหรือว่าจากพบน้อยสู่พบใหญ่จากพบใหญ่สู่พบน้อยจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเนี่ยนะแล่นไปในพบสามกำเนิดสี่ซึ่งไอความเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสัสธรทิฏฐิถามว่าผู้ที่มีความเห็นเป็นทิฏฐิแบบนี้เนี่ย จะปฏิบัติอริยมรรคเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ไหมนะจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ไหมจะประพฤติปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์ไหมไม่พวกนี้จะเชื่อว่าความรู้อริยศาสตร์เป็นความรู้ประดับประดับอะไรประดับเกียรติยศเท่านั้นแหละจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์อะไรสังเกตดูว่าพวกที่กลุ่มสัตตะทิฐิเต็มที่พวกนี้จะไม่ฝักฝ่ายในในการรู้ ในการรู้ธรรมเพื่อเป็นเพื่อเป็นพระเรียเจ้าประพฤติปฏิบัติเพื่อตรัสรู้อริยสัจอย่างเช่นกลุ่มลัทธิในโลกเนี่ยนะโดยมากก็เป็นลัทธิสัสติถิอยู่แล้วเชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกเช่นตายแล้วตกนรกภาวรตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์นิรันดรหรือว่าจากมนุษย์สู่มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดก็เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด บางทีก็เชื่อเรื่องกรรมเก่าว่าเพราะวิญญาณเป็นตัวทากรรมเมื่อเราทำกรรมอะไรเราก็จะสเสวยกรรมมันนั้นชีวิตของเราก็ล่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนี้พวกนี้ไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เอ่ยยังไงเราก็เกิดอยู่ดีเนี่ยพอพอพวกนี้ก็สรุปบทสรุปมาบอกอย่างไรเราก็เกิดอยู่ดีเมื่อเชื่อว่าเราเกิดอยู่ดีพวกนี้ก็ไม่ภาคเพียนไม่พยายามไม่มีฉันทะไม่มีอุสาหะเนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นความความเห็นผิด เป็นมิจฉาทิฏฐ so ิเพราะขัดแย้งต่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็ถือว่าในทางธรรมะถือว่าเป็นความเห็นที่เลวร้ายมากเนี่ยนะในทางค่ะในสำหรับถ้ามองจากพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ถือว่าความเห็นผิดถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเลวร้ายยังไงเพราะขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งใดที่ขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเป็นมารว่างั้นแต่เป็นพูกฆ่า เป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้ฆ่าภายในเรียกว่าเป็นปาปมิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในชนิดที่เรียกว่าทำลายไม่ให้ตัวเองบรรลุมรรคผลนิพพานเนีย่ยนะเพราะพวกนี้ไม่น้อมไปเพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพวกนี้ก็ยินดีเนีย่ยนะยินดีในใ น, ในทิฏฐิอันนั้นซึ่งพวกสัสตตทิฏฐิเนี่ยมันแบ่งเป็นพวกเอกจัตสตทิฏฐิก็มี อันนะั้พวกที่ศสัาทิฐิเนี่ยนะหลายเรื่องเกิดจากระลึกชาติได้พวกที่ระลึกชาติได้ก็ไม่ได้แปลว่าพ้นจากมิจฉาทิฐิอะไรเนี่ยนะพวกที่ระลึกชาติได้นี่แหละเป็นเหตุใกล้เป็นอาหารที่อร่อยของมิจฉาทิฐิเลยแหละเพราะเชื่อว่าเออเนี่ยมันเวียนตายเวียนไหวตายเกิดตัวเองก็ตายเกิดตายเกิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคงเวียนไหวตายเกิดไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นไม่ต้องไปทําอะไรหรอก ก็อยู่ไปเรื่อยๆมันจะบรรลุกับรบรลุรรมันบรรลุกับมัเป็นรายนี่ยเราก็เวียนว่ายตายเกิดของเราไปเรื่อยพวกนี้ก็ถือว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่ล่องลอยพผนจรท่องเที่ยวไปเรื่อยเนี่ยนะจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงคําสอนของพระองค์เป็นสัสตตถทิฐิไหมไม่เป็นเนี่ยนะพวกสัสตตถทิฐิเนี่ยพวกนี้ถือวิญญาณว่าเป็นนะเป็นเป็นอัตตาไงนะ วิญญาณนี่แหละเป็นอัตตาเป็นอัตตาที่เที่ยงยั่งยืนเวียนว่าให้ตายเกิดเป็นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีมิจฉาทิฏฐิที่ปักดิ่งลงว่าวิญญาณนี่แหละเป็นตัวท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่อย่างอื่นดังนี้